ท่มหนึ่งนิมนต์หลวงพ่อไปเทศเหมือ น, นะหลวงพ่อจะไปแสดงธรรมไปเทศวัดหลวงปู่เลียนวันที่ส1บเอเย็นถ้าจะว่าไปแล้วก็ให้ไปเทศเนะี่ยเหมือนกับจูงหมาใส่ฝนนะพวกเราเคยทดลองดูนะกลับไปถึงบ้านเวลาฝนตกลองๆจูงหมาออกจากลมกันนะจูงหมาใส่ฝนยังไงก็อย่างนั้นนะสรุปแล้วก็คือ ไม่สมัครใจแต่ว่ามีความจำเป็นมองดูแล้วไม่ไม่มีองค์ไหนไม่มีพอท่านพูดจัดงานเท่ากับพอที่จะหลวงพอ่อพอพูดจะพูดได้แต่ท่านก่อนิม่ม์ณไปแต่เมื่อท่านนิมนต์ไปแล้วเราจะปฏิเสธก็ไม่ใช่เรื่องอีกเหมือนกันเหมือนกับเล่นตัวลักษณะอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกอีก ดีหรือไม่ดีก็เอาเข้าไปพิสูจน์ในสังคมเลยว่างั้นเน่ยเขาไปพูดเลยมีขนาดไหนก็พูดขนาดนั้นะภูมิขนาดไหนก็พูดขนาดนั้นความรู้มียังไงกับพูดขนาดนั้นว่างั้นเนี่อมีประสบะการณ์มาอย่งไรกับพูดขนาดนั้นว่างั้นเนี่ยแล้วก็มีความเห็นในใจยังไงกับโพดขนาดนั้นอีกเหมือนกันว่างั้นเนี่ยแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะชน ทามองดูแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างพวกเราท่านทั้งหลายแต่ก่อนก็นุ่นหลวงปู่ฟันหลวงปู่ต่างหลวงปู่อ่อนเป็นทักเทศเอกสมัยนั้นหลวงปู่เทศหลวงตามหาบัวหลวงตามหาบัวเนี่ยยศว่าจะเทศแสดงธรรมเป็นที่ยอมรับกว้างขวางได้ทั้งประยัดได้ทั้งปฏิบัติเป็นที่ยอมรับของ ขนาดลูกศิษย์ลูกหายาวนานแต่เดี๋ยวนี้ท่านก็จะว่ายังไงล่ะสังขารของท่านก็โ ร, โรยอายุถึงเก้าสิบเจ็ดปีแล้วไม่ว่าแต่หลวงตาพระพุทธเจ้า <c oughs> บร ม, มครูของพวกเราเน่ถ้าท่านทรงพระสนอยู่พวกเราคงจะไม่ได้พูดอะไรพระพุทธเจ้าจะพูดแทนหมดเนะ่ะใครจะไปกล้าพูด เมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงประชนอยู่ทั้งต่อหน้าของท่านเป็นเสียเดินนุ่นไปพูดอยู่ในหุบเขานะ่ะเออว่า ย, ยัางไงจะให้คนได้ยินคําพระพุทธเจ้าทั้งหมดก็คงเป็นไปไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันนะะถึงหลวงตามหาบัวท่านจะเทศนาว่าการแต่ท่านก็อยู่นู่นแต่พวกลูกพวกเรานะ่ะมาหาหลวงพ่ออินเกลเอาอย่างไงจะไม่พูดก็ไม่ได้ต้องแสดงความคิด ต้องพูดอะไรให้ฟังเพื่อจะได้ศึกษานี่พูดเรื่องหลวงหลวงปู่ก็เหมือนกันงานหลวงปูเ่เลี้ยนที่หลวงพ่อจะไปพูดนี่ก็เหมือนกันจะให้ครูบาอาจารย์ระดับหลวงปู่หลวงตามาพูดอย่างเก่าท่านก็ไม่ไหวแล้วจะให้ใครพูดพลนิสูตรก็นั่นแหละมันร่นล ง, ลงมาร่น่นร่น ล, ล, ล, ล, ล, ลงมาหาเราเลย ถ้าถึงเราไม่พูดจะให้พระน้อยพระหนุ่มไปพูดมันก็น้ำหนักก็ไม่มีอีกเหมือนกันมันก็ต้องระดับพระที่มีอายุพรรษาที่จะเป็นที่ยอมรับของชุมชนสังคมนั้นๆพอสมควรขึ้นไปพูดหรือไปแสดงธรรมหรือไปแสดงความคิดเห็นชนในชุมชนนั้นๆเขาจะยิงยอมรับแล้วก็ผู้เขาจัดงานท่าน พวกเขาจัดงานก็เหมือนกับงานงานท่านกับงานเราก็เหมือนกันงานเราเน่ยเหมือนกันทางงานของครูบาอาจารย์งานที่เราจัดขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าจะนิมนต์พระที่ไหนเกวเลกาวลาตขึ้นมาแล้วก็นิมนต์แสดงธรรมเราก็ไม่คิดอย่างนั้นเหมือนกันก่อนที่เราจะคิดให้องค์ไหนแสดงธรรมเราก็ประชุมกันจนแตกแหลกลานไปหมดว่างั้นแต องนั้นแสดงธรรมเป็นยังไงองค์นี้แสดงธรรมเป็นยังไงพูดขึ้นมาจนแตกจันกพแรงในที่ประชุมจนเออเอาให้องค์นี้แสดงธรรมนะมีใครคัดค้านัหมไม่มีใครคัดค้านเออเอาเอาองนี้แสดงแสดงธรรมถ้ามีคนคัดค้านโอ้ยไม่ได้รล้องนี้แสดงธนะรมมมร <c oughs> ม, มช่วงเวลานั้นช่วงเวลานี้ต้องเอาช่วงเวลานั้น อันนี้เขาก็ต้องถกเถียงกันก่อนอไม่ใช่ว่ามัวเมียแล้วก็จัดนิมนต์ไปเลยหลวงพ่อมั่นใจนี้กูเหมือนกันะที่นิมนต์หลวงพ่อไปแสดงธรรมหรือไปพูดในวันที่สิบเอ็ดที่จะถึงนี้พวกกลุ่มคณะกรรมการเขาเขาคงจะทําเหมือนหลวงพ่อเหมือนกันเอะหลวงพ่อจะจัดงานคราวไหนครั้งไหนครั้งสําคัญของ <c oughs> ครูบาอาจารย์เนี่ย จ, จะต้องประชุมหาลือกันซะก่อนกิจการสวดมนต์ยังไงเวลาเวลาไหนยังไงองค์ไหนเป็นองค์แสดงธรรมอะในงานนี้ะอันนี้ก็คือลูกศิษย์ลูกหาหมู่พวกเพื่อนต้องประชุมกันในครอบครัวซะก่อนวันนี้มนต์องค์ไหนนี่ก็เหมือนกันหนะลวงพ่อว่า ที่ท่านนิมนต์หลวงพ่อไปเนะี่ยท่านกงคงจะคิดแล้วที่หลวงพ่อจะปฏิเสธไม่ไปหรอกเหมือนกับเป็นการดูถูกงานของท่านหรือ ว, ว่าดูถูกผู้ที่คณะกรรมการน้องหนุ่มที่ได้รวมกันได้คิดกันแล้วอันนั้นก็ไม่ถูกเพราะนั้นเมื่อท่านนิมนต์มาลเลยอา้าวท่านก็เห็นว่าเราพอที่จะพูดได้ก็มัง้งท่านจึงนิมนต์มาเอา้ามันเป็นไร เราก็พูดเท่าที่เราจะพูดสุดความสามารถของเราที่เราจะต้องพูดในวันนั้น น, นี่นะอันนี้แหละคือการมันการละเทกาละเทสะเข้ามาถึงเนี่ยแต่ก่อนเราก็ไม่คาดไม่คิดแต่สมัยเป็นเรียนน้อยอยู่ปลายแถวโอ้เวลาจะให้พูดใจจะขาดออ า, อางนันเวลาไปไปสวดมนต์ขนาดไปสวดมนต์หลายองค์ กวาวหมูจะพาล้มล้มกลางวงอีกต่างหากว่างั้นล้มเลยใค ร, ใครองค์นั้นสวดผิดองค์หนึ่งสวดถูกผลที่สุดก็เลยย่านขายขีหนาว่างั้นเราเป็นเนนน้อยเนะี่ยสั่นอยู่ก็แล้วกันวน่างั้นพอมาเป็นคู่บาปนี่ยิ่ยงใหญ่เลยเตอายคนอีกต่างหากไม่รู้จะพูดยังไงให้แกใครใครๆครฟังยิ่ยงมาอยู่วัดหลวงตาเตย อยู่วัดหลงตาสิบกว่าปีหนึ่งมุดอยู่หลังอยู่ตลอดเลยเลยไม่มีใครรู้หรอกวานาองพอออกมาโผล่ออกมาอยู่ที่นี่กูเหมือนกันถ้าใครอยากจะฟังเทศน น, นั้นเตรียมไว้เลยมวนเทปหลวงตากับเทอให้เลยว่างั้นโยดยื่นให้เลยน่น่เ น, น, น, น่เอาไปฟังเนยหลวงตาเทศอยู่นี่แหละพอแล้ว เ, เอาไปศึกษาเขาบอกว่า ผมอยากจะฟังความเห็นของท่านใน่นะพราะของลงตาผมก็มีในบ้านผมก็มีผมก็เก็บไว้อยู่มีเยอะแยะอีกอ่าหากจนฟังไม่ไหวนงเพราะว่าผมอัดไปมากผมอยากจะฟังเทศของท่านเอออย่างอย่างอย่างอย่า ง, ย, ง, ย, ง, ย, งยังไม่ใช่เวลาโดยมากเราจะปฏิเสธอย่างนั้นมาตลอดอ่างั้นเถอะจนถึงโยมคนหนึ่งเป็นโยมในช่างรถไฟ เป็นลูกศิษเก่าแก่ของหลวงตามาทีไรเราก็ว่าอย่างงั้นเน่ยมาทีไรเราก็ว่าผลไม่สุดมาตั้งแต่ปีสี่แปดท่านก็ป่วยเป็นอามาพกพฤษอามาพาตเนี่ยอยู่กรุงเทพวันดีคืนดีท่านก็ส่งปัจจัยขึ้นมาถวายบอกว่าแฟนของผมตายแล้วท่านอาจารย์ไน้งั้นอันนี้เงินมาในงานศพแฟนของผมผมคนเดียวนี้ก็ป่วยอยู่ยงั้นเดินไม่ค่อยสะดวก เพราะนั้นผมจะได้ส่งปัจจัยมาถวายบำรุงวัดของท่านจะเป็นจะใช้อะไรให้เกิดประโยชน์กับขอในมลใช้ให้เกิดประโยชน์ภายในวัดของท่านอาจารย์ผมไม่ได้มาด้วยตนเองเราได้รับโอูตายเลยก็ได้ส่งหนังสือไปส่งหนังสือตอ ต, อ ต, อตอด้วยส่งหนังสือธรรมะกูบาอาจารย์ด้วยแล้วก็ส่งเอ็มพีสามไปให้เอ็พีสามหลวงพ่อมีอะไรได้ที่นี่ส่งไปให้ท่าน พอส่งไปให้โอ้รีบตอบมาโอ้แต่ก่อนผมไปหาท่านอยากจะฟังความคิดเห็นของท่านท่านไม่พูดเลยแต่พอมาคราวนี้ผมได้ฟังเอ็มพีสามของท่านเสียงดังฟังชัดผมไม่คาดคิดเลยว่าท่านจะท่านจะพูดได้พูดนะขนาดนั้นก็ยังมีเยเพราะนั้นหลวงพ่อไม่ค่อยพูดนะถ้าจะว่าไปแลวสมัยก่อน พอมาถึงยุคนี้สมัยนี้แล้วก็จะว่าอย่างไงครูบาอาจารย์ก็ร้องโรยไปร้องโรยไปถ้ารุนเราไม่แสดงความคิดเห็นบ้างเดี๋ยวก็จะดูถูกพระพุทธศาสนาได้อีกดูเชพระบวชมาทั้งนมนานที่จะให้พูดอะไรเงยเงงเงักพูดอะไรก็ไม่เป็นว่าอย่างนั้นอีกพงพ่อเขาเลยฝึกหัดพูดไปแล้วเงี้เหมือนกับเสียงอึ่งอ่างล่องไปล่องมาอย่างนั้นอ่ะเอเพื่อจะให้พวก ก็น่าจะทายาติโยมลูกหลานได้ยินได้ฟังบ้างอแต่ตัวเองตัวเองคำว่าตัวเองพูดถูกนะเหมือนกับนักร้องหมอร้องหมอรำนะตัวเองร้องรำก็เหมือนกับเสียงเลาะไพ่เลาะสนะโสดเหมืองนงั้นนะน้ําตาหลังน้ําตาไหลตัวเองพูดลองเพลงลองเพลงออกไปอแต่คนอื่นเขาฟังไม่รู้จะเขาจะยอมรับเหมือนตัวเองหรือเปล่าก็ไม่รู้ บางทีก็อาจจะดูถูกไกลๆอยู่ในใจโหพูดอย่างนี้ก็พูดได้น อ, เ, อเหมือนกับคนร้องเพลงเลยร้องอย่างนี้ร้องได้นะ้ะร้องทั้งบีร้องทั้งวันร้องตังนมนานฟังๆแล้วเหมือนเสียงหมาหอนนี่ว่าอีกเขาจะดูถูกอย่างนั้นอีกนะี่อันนี้ก็เหมือนกันนะหลวงพ่อก็คิดหมดทุกอย่างเหมือนกันนะเพราะว่าธรรมะทาคําสั่งสอนเนี่ยไม่ใช่ของหลวงพ่อ เป็นธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นร 8, 0, 4, พระธรรมแปดหมพันพระธรรมมขันธ์เราจะยิบยกมุมไหนใน8ป0 0 0ื่น e ี่พันพระธรรมมขันธ์นั้นเอามาประกาศเอามาเผยแผ่เอามาขยายผลในความรู้สึกของเราเรามีความซึ้งอยู่จุดไหนเรามีความรู้อยู่จุดไหนเราได้เรียนรู้อยู่จุดไหนในพระธรรมแปดหมืนั้นเราก็เอาจุดนั้นมาพูดพร้อมกันกระบวก การประพฤติปฏิบัติของตนเองเข้าไปด้วยว่านี่เราเชื่อมั่นละในการพระธรรมคำสั่งสอนจุดนี้เพื่อนกับพพุทธเจ้าแนะนำว่าให้ปลูกกละลำปีอย่างนี้นะใส่ปุ๋ยอย่างนี้นะใส่ลักปลูกอย่างนี้นะใส่น้ำขนาดนี้นะที่นี่เราก็ออกมาปลูกเอามาใส่ปุ๋ยดู ถึงจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยร้อยเปอร์เซนตก็เออได้กินเออรู้สึกว่าได้ริมรสได้กินกละลำปีจากนั้นหลวงพ่อเออเนี่ยเออกระลำปีเนี่ยปลูกวิธีอย่างนี้นะทำอย่างนี้นะถ้าทำอย่างนี้ได้กินแน่กระลำปีได้รู้รถกละลำปีแน่เออถึงจะไม่ได้ซื้อได้ขายเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็เถอะแต่ได้กินนะเพราะได้ศึกษาได้ปฏิบัติดูแล้ว อันนี้ก็เหมือนกันที่หลวงพ่อได้ศึกษาธรรมะปฏิบัติมาได้ศึกษามากเป็นธรรมะทั้งรุ่นได้ศึกษาทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทานอย่างนี้นะศีลอย่างนี้นะสมาธิอย่างนี้นะปัญญาอย่างนี้นะเราได้ศึกษาจากนั้นก็เออการให้ทานนดออีการเสียสละออกไปรู้สึ ก, ออกเบาสบายพอให้ไปที่ไหน ศรัทธาญาตโยมหมูพวกเพื่อนเพื่อนฝูงวงสาคานาญาติไปที่ไหนยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นที่ยอมรับของคนทั้งหลายคนที่มีทานในจิตใจเป็นผู้เสียสละเนี่ยไปที่ไหนก็ให้ทําเป็นทานเออเป็นที่ยอมรับให้ความรู้แก่เขาเขาก็ยอมรับไปในที่ประชุมเราแสดงในที่ความคิดเห็นในที่ประชุมในที่ประชุมก็ยอมรับเพราะเราคิดขึ้นมานด้วยความเมตตาทํำโดยปาศความเมตตาพูดออกไปด้วยความเมตตา ด้วยความเมตตาเป็นหลักไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นพระพูดด้วยว่าด้วยศีลด้วยธรรมคิดศีลด้วยศีลธรรมทำด้วยศีลดธรรมพูดด้วยศีลธรรมก็เป็นที่ยอมรับอันนี้ก็คือการก็คือทานะคือให้ให้วิทยาทานให้ธรรมทานแล้วก็อาริษทานพระพุทธเจ้าสอนเมื่อให้ทานแล้วจิตใจจะได้รับความ ภ้าสุขเนะคนมีน้าจิตน้ำใจคนมีน้าใจตอบหมู่พวกเพื่อนเนีแต่ก็ต้องมีประมาณเหมือนกันนะเออต้องมีประมาณถ้าไม่มีประมาณแล้วก็ไม่ได้เมตตาไม่มีประมาณมีแต่ครบคนผ่านเต็มเมืองฮะถ้าคบถ่ามีเมตตาถ้ามีถ้าคนที่มีเมตตาใครให้มีเมตตาแต่ถ้ามีเมตตาไม่มีประมาณ จะมีคนพาลเต็มเมืองจะคบคนพาลเต็มเมืองเพราะอะไรเพราะจิตใจตัวเองใช้ความโง่มีแต่เมตตาไปโม้เห็นอะไรก็เมตตาไปโ ม, ม้หมาจะกัดก็ยังเมตตาหมาหมามากัดขาอีกต่างหากฮะอย่างนี่ยอันนี้เราก็ต้องมีประมาณเหมือนกันเราก็ต้องดูตรงต้องมีมีเมตตาในระดับหนึ่งคุณท่านหมามันจะกัดแล้วก็มีเมตตาเอาไม้ไัย ไม้เท้ามาขนาดนั่นแหละมันก็ต้องมีเมตตาอีกระดับหนึ่งนี่แหละอันนี้ก็คือการเสียสละทานสินก็เหมือนกันถ้าอยู่ด้วยกันมีความสงบรรมเย็นเป็นสุขนะหนาศรัทธาญาิโยมลูกหลานหนะ่เพราะหลวงพ่อได้ฟังมาแล้วได้ศึกษามาแล้วได้ปฏิบัติ ด, ดูแล้วถ้าคนไม่มีสีในเดือดร้อนบุญวายนะลูกพ่อก็ได้นามาสอนอีกเพราะเห็นว่าหลวงพ่อได ศึกษามาแล้วเหมือนกับได้ศึกษากระลำปีอย่างนั้นวิธีปลูกกระลำปีอย่างเนี้ยพอจากนั้นก็นเอาวิธีการปลูกกระลำปีตัวเองได้ผลมาแล้วพอสมควรแล้วก็มาบอกให้พวกเราเนี่ยพวกเรารักษาศีลอย่างนี้นะอย่างเนี้ยถ้าคนมีศีนแล้วครอบครัวเป็นสุขนะขอครอบครัวของเราเป็นสุขนะพ่อแม่พี่น้องอยู่ใกล้ร่มเย็นเป็นสุขนะคนมีศีนนะเอถ้าเรากินเหล้าขึ้นมาด้วยสิ กินเหล้าเมายากินยากันชายาฝิ่นกินเฮโรอีนขึ้นมาสิครอบครัวของเราวุ่นวายนะนี่เราหลวงพ่อก็ได้นําแนวนั้นมาสอนอีกจากนั้นก็ได้วิธีการสมาธิเลยพระพุทธเจ้าสอนสมาธิอย่างนี้อย่างนี้นะหลวงพ่อก็ได้ศึกษาเรื่องสมาธิเดินจงกรมอย่างนี้นะนั่งภาวนาอย่างนี้นะทําจิตให้สงบอย่างนี้นะหลวงพ่อปฏิบัติตามอีกพอปฏิบัติตามเออใช่ จิตสงบจิตไม่หุนไม่วายจิตไม่จิตใจไม่กระสับกระส่ายมีความสุขจริงสมกับธรรมคาสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านักถิสันติป ร, รางสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีจริงนะจากนั้นเมื่อหลวงพอ่อเรศศึกษาแล้วก็นํามาสอนพวกเราอีกเอทมสมาธิต้องทําอย่างนี้นะคณะจัตต า, าญาติโยมลูกหลานนะถ้าพวกเราทําแล้วมีแต่ความสงบผูมเย็นเป็นสุขนะ พอหลวงพ่อได้ทามาแล้วได้ฝึกมาแล้วได้ปฏิบัติมาแล้วถึงจะไม่ได้ถึงจุดหมายปลายทางก็รู้วิธีการถึงจะไม่ได้เป็นเศรษฐีมหาเศษารษฐีก็รู้เรื่องของการปฏิบัติเป็นหนทางแห่งความพ้นทุกข์ได้แน่นอนในเรื่องนี้นี่แหละในเมื่อเราได้ศึกษาทมคาสอนของพระพุทธเจ้า8ปดหมี่พันพระธรรมขันนั้นเราก็นามา บอกกล่าวซึ่งกันและกันจากนั้นก็เผยแผ่ขยายผลไปเรื่อยๆไม่ใช่แต่ของหลวงพ่อองค์ในไหนก็เหมือนกันเพราะธรรมะคาสอนเนี่ยไม่ใช่ของผู้ใดผู้หนึ่งไม่ใช่ของหลวงปู่หลวงตาองค์ใดองค์หนึ่งเป็นของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านวางไว้แล้ว 80,000 นี่พันพระธรรมขัมภ์จากนั้นหลวงปู่หลวงตาครูบาอาจารย์ ยุคนั้นสมัยนี้ท่านก็นํำทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติมาประพฤติปฏิบัติแล้วได้เห็นผลอย่างไรท่านก็ได้นํำทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าบวกกับประสบปปการณ์ของตนเองที่ได้ปฏิบัติลงไปแล้วก็นํามาประกาศหรือว่านามาเผยแผ่แนะนําสั่งสอนคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานให้ปฏิบัติตนอย่างไรให้มันถูกต้องให้มันเป็นธรรม เ, เมื่ออยู่ทางโลกอยู่กับมนุษยชาติควรทำตนอย่างไรแต่ส่วนจิตใจนะั้นควรคิดอย่างไรอีกถึงถึงจะอยู่กับนวกลมเย็นเป็นจุกก็เถอดนะแต่ส่วนจิตใจนั้นก็ต้องคิดอีกในมุมอีกมุมหนึ่งอีกเหมือนกันเอออย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าให้คิดไว้เป็นภาษาใจของตนเองไว้เสมอให้คิดไว้เป็นภาษาใจของตนเองไม่ใช่ภาษาคาพูด ภาษาใจให้คิดไว้ถึงข้าพเจ้าจะรับผิดชอบขนาดไหนในเรื่องทั้งหลายทั้งปวงถึงคนจะยกย่องเชิดชูข้าพเจ้าขนาดไหนถึงข้าพเจ้าจะรับผิดชอบเรื่องหน้าที่การงานขนาดไหนก็ตามอีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องทิ้งทั้งหมดให้คิดไว้นะถ้าท่านไม่คิดไว้ท่านจะเป็นเปรดไปเฝ้ากับสิ่งเหล่านั้นว่าขาดคิดถูกข้าทาถูกท่านจะพอใจในเรื่องถูกนั้น ผลที่สุกเลยจิตใจและไปผูกมัดกับสิ่งสิ่งที่ถูกนั้นก็เลยไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเปรตเฝ้าสิ่งเหล่านั้นอยู่นั่นแหละเพราะนั้นต้องคิดไว้เป็นภาษาใจของตนเองไว้อยู่เสมออันนี้คือภาษาใจคือเรื่องของสมาธินในแนวความคิดล่ะนาทีนีแนวความคิดอย่าไปล่มลุ่มหลงอย่าไปมัวเมา อย่าไปติดข้องกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงให้มีสมาธิเอาไว้สมาธิเนี่ยเราเป็นเรื่องทางด้านจิตใจล่ะเท่เนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนอยังไงเรื่องสมาธิเนท่านก็สอนในมุมหนึ่งอีกเลสมาธิทําจิตใจให้สงบนะในเมื่อจิตใจสงบนิ่งแล้วจิตใจเป็นตัวของตัวเองแล้วจิตใจเป็นอิสระแล้วจิตใจไม่หวั่นไหวกวยแวงแล้ว จิตใจไม่มีกิเลสราคะโทสะเข้ามาโมหะเป็นเครื่องชักนําแล้วใจิตใจเป็นโดดเด่นอิสระของตัวเองแล้วคิดเรื่องอะไรก็เป็นอิสระเป็นศีลเป็นธรรมไม่เหมือนกับคนที่มีอำนาจบังคับให้คนหนึ่งพูดถ้ามึงไม่พูดอย่างนั้นไม่ได้นะกูจะต้องลงโทษมึงนะอันนี้กิเลสมันบังคับใจอยู่อย่างนั้น ใจของเราเลยไม่อิสระเพราะจิตใจของเรายังมีกิเลสราคะโทสะโมหะยังควบคุมอยู่แต่ขณะที่ใจของเราเป็นอิสระคือจิตใจของเราเป็นสมาธิสลัดกิเลสออกได้ชั่วขณะหนึ่งนะจิตใจเป็นอิสระจิตใจสงบนะจิตใจช่วงนั้นะเป็นจิตใจเป็นอิสระในชั่วขณะหนึ่งนำมาพิจารณาไตรตรองเหตุและผลเรื่องราวอะไร เราจะเป็นเป็นชิ้นเป็นอันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเหตุเป็นผลขึ้นมาในจิตใจของเราได้แต่ถ้าเราจิตใจของเราไม่เป็นไม่ผ่านสมาธิและไม่เคยฝึกสมาธิเลยจิตใจของเราเหมือนกับมีอะไรกิเลสควบคุมอยู่เหมือนกับผู้มีอานาจควบคุมจิตใจอยู่ใจต้องคิดอย่างนั้นนะแต่แกต้องคิดอย่างนั้นนะต้องพูดอย่างนั้นนะต้องทาอย่างนี้นะ ให้เขามีผู้มีอำนาจบังคับให้คิดให้พูดให้ทำคนคนนั้นไม่อิสระทีนี่ก็เลยไปตามบัญชาของกิเลสราคะโทสะโมหะออไม่สิ่งที่ไม่ควรจะคิดก็คิดสิ่งไม่ควรจะทำก็ทำสิ่งไม่ควรจะพูดก็พูดทีนี่เพราะเหตุอะเพราะกิเลสบัญชาให้พูดให้ทำเพราะนั้นท่านจึงให้ฝึกหัดเรื่องสมาธิเรื่องฝึ ก, กจิต ใจให้มีสมาธิในเมื่อจิตใจเป็นสมาธิและเป็นอิสระเอะไม่ใช่อิสระร้อยเปอร์เซ็นะตนะก็ยังมีอยู่ถ้ามีกิเลสมันลู ก, ล, กล้านห ล, ลานมาเห็นพลำคาลาําคาลเหมือนกันแต่ปู่ญ่าตาทวดมันไม่ได้บังคับพราะมันเข้ามาไม่ได้พอเราสลัดออกไปแล้วแต่ยังมีกิเลสลูกหลานมันคล่องแงคลงคลองขาอยู่จากนั้นเรากดเป็นอิสระในการคิด การทำการพูดพูดขึ้นมาก็เป็นศีลเป็นธรรมคิดขึ้นมาก็เป็นศีลเป็นธรรมทำลงไปก็เป็นศีลเป็นธรรมพูดขึ้นมาก็เป็นศีลเป็นธรรมเพศไรเพราะใจของเรามันอิสระมองเห็นสิ่งควรไม่ควรเห็นสูงเห็นต่ำเห็นดำเห็นขาวเห็นสิ่งดีเห็นสิ่งชั่วในจิตในใจของเรานี่แหละ ทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าจะว่าไปแล้วมากมายที่เราจะนํามาปรปับปรุงแก้ไขแก้กิเลสภายในจิตใจของเร า, าพระธรรม 84% ดหมพันพระธรรมมขันนั้นท่านประกาศเอาไว้เราจะหยิบยกจุดไหนหยิบยกจุดไหนมาเผยแผ่มาพูดให้กันฟังมาให้แนะนําสั่งสอนให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังนี่แหละมันมีหลายระดับ ระดับการเป็นอยู่ความพร้อมเพียงสมัครคีระดับการเสียสละแล้วก็กระดับควบคุมตัวเองเรื่องสินกายรักษากายวาจาแล้วก็ระดับความคิดทำยังไงจึงจะถูกต้องทำยังไงจึงจะเป็นเหตุเป็นผลสมาธิจนถึงนู่นล่ะ ชำระไปชำระไปจนรู้แจ้งเห็นจริงจนเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นพระอริยะบุคคลพระโสดาพระสกทาขาพระอนาคาพระอรหันในที่สุดนี่แหละการชำระใจบริสุทธิ์ได้สุธิสุธิป จ, จัตตังความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์รู้เฉพาะตนคาว่าบริสุทธิ์คานี้มันมีหลายระดับอีกเหมือนกัน บริสุทธ์กายบริสุทธ์วาจาบริสุทธ์ใจบริสุทธ์ใจเนะี่ยมัน ม, มีบริสุทธ์อันสูงสุดก็คือพระหันนะนะั่นบริสุทธ์ใจใจบริสุทธนะ์นเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายคณะทัตธาญาิโยมทั้งหลายนะธรรมธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวอธิบายให้แก่พวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังวันนี้เป็นวันพระแรมแปดค่า เดือนหนึ่งะมันนีตรงกับวันที่สิบธันวาคมห้าสองเป็นวันพระเป็นวันปฏิบัติธรรมเพรานัญญาไปลุ่มหลง ม, มัวเมาจนเกินไปเนอวันพระอย่างนี้ก็ควรจะมีศีลธรรมอย่างน้อยก็มีศีล5าแหละที่หลวงพ่อได้พูดแล้วพูดอีกศีลห้ามีคุณค่ามีประโยชน์จังไรถ้าพวกเราเป็นผู้มีศีลมีธรรมต่อไปภายภาคหน้าลูกหลานของเราก็ยึด แนวแถวตามแนวแถวของพวกเราเนี่ยนะที่เป็นพ่อเป็นแม่ปูย่ย่าตายายเนี่ยนะเดินตามแนวแถวเราถ้าคนเราลูกหลานของเรามีศีลมีธรรมแล้วปกครองง่ายพูดง่ายเข้าใจกันง่ายเคารพพ่อแม่ไม่กล้าทําอะไรนอกลูก่นอกทางหวูวา้าทําอะไรจะไม่เดือดร้อนวุ่นวายผู้คิดอะไรเพราะลูกหลานเราก็ได้สอนแล้ว อย่าไปทําอย่างนั้นนะลูกหลานนะเป็นบาปนะเป็นกรรมนะตกนระกหมกไหมนะตายแล้วไม่สูญ น, นะตายแล้วเกิดอีกนะลูกหลานนะสิ่งไหนที่ดีควรจะทําทสิ่งนั้นนะลูกหลานนะเมื่อเขาได้ยินจากปู่ย่าตายายพ่อแม่ของเขาอยู่ตลอดเขาก็ต้องเป็นคนดีเอจิตใจของเขาก็ต้องเป็นผู้ผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีคนที่มีศีลธรรมแล้วอยู่ด้วยกันมากน้อยก็มีแต่ความ สงบพร้มเย็นเป็นสฉกนั่นละ่ะถ้าคนขาดจริยธรรมไปแล้วพูดอะไรแตะอะไรก็ไม่ได้มีแต่คลังกิเลส่ยงองแงไปหมดอพูดอะไรก็ลุกอีลุกตุ่มปองอีลุกตุ่มปองโกรธเครียดให้กันเอลูกสาวก็ทอานั้นลูกชายก็ตอนนี้หลานก็ตอนนั้นพอ่พอพ่อบ้านแม่บ้านเป็นคนอนาทิตย์คนทางเราคิดดูกันแล้วกันเนี่ยจะหาความสงบพร่อมเย็นเป็นสุขได้อย่างไรถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นนะ อตอนนี้ไปรับพอรอนุโมทนาให้พร